สนาแผ่นที่78ดลำดับที่21โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุอรธานีแสดงทางในวันที่1ิสิงหาคมงพ้ามีชื่อเรื่องว่าที่มาของโมรลนิธิเสียงธรรม ยาหม่องบางทีมันก็จำเป็นนะอยู่ในปา่าพอมดพวกอะไรกัดยุงกัดเดี๋ยวซ้ายแลขวามียาหม่องก็ยังพอได้จับมาทูทูนวดนว ด, นวดแก้คันได้อีกต่างหากมันร้อนเวลาขาพิกขาแพง <c oughs> ก็ใส่ยาหม่องก็ได้ เป็นแผลมีดถูกมีดบาดท่้นไม่ทาไม่มียาอะไรท่าเลยนีงยาหม่องสายเข้าไปเลยกันไว้ก่อนมันเป็นน้ำมันสมัยหลวงพ่อมาอยู่วัดใหม่ๆลูกหลานลงหลวงพ่อจะเล่าๆลให้ฟังหลวงพอ่อมามาอยู่วัดเนี้ย มาอยู่ด้วยกันสามองค์มีหลวงพอ่อแล้วก็ท่านนิพนธแล้วก็ท่านฮนวดท่านฮ ว, วดที่คอมมนเนสค่าอยู่หลังเขาภูพานะเคยมาพักที่นี่เด้เป็นคนการ์ินเป็นรุ่นน้องของหลวงพอ่อท่านมาเที่ยววิเวกแล้วก็มาแวะมาเยี่ยมหลวงพอนะ่อแล้วก็ให้พระท่านพักทนะี่น่นกุฏิอยู่ที่โรงโรงครัวทำอาหารเดียวนี่แนหะกุฏิของท่านฮวดนะ หลวงพ่อก็อยู่ตัวนี้แหละกุฏิที่ปีสองเก้านี่ยกุฏิไม่ชีเมเนี่ยนะแล้วก็ศาลาก็อยู่นั่นนะศาลาอยู่ที่ศาลาที่ประชาคมนะนะแล้วก็กุฏิท่านท่านนิพนธ์อยู่นี่อยู่ศาลาเก่าดนะูไม่ห่างกันพอ ม, มาสร้างสร้างวัดใหม่มุงหลังห ล, ลังคามุงยากพื้นไม้ไผ่ ฝาไม้ไผ่ยอยู่ด้วยการสามองค์ท่นี้พอตกกลางคืนมาท่านห้วดไปฉันอะไรก็ไม่รู้เทนี้ปวดท้องกระจององแงเข้าเท่านี้ตายหายาไม่ได้จะไปยาได้แนละ้วยาติดยามาท่านเองเนี่ยมิต่ยาแก้ปวดยาแก้วัดสองสามเมตรยาอย่างยาอย่างอื่นก็ไม่มีทานี้ไปหาใครดูนนาคำน้อยกับมิวแปดลังคาท่านเอง สมัยนั้นอ่ะดูนักการกับไปเลียกกันมาแลวสามองค์มันจะเป็นยังไงก็ไม่รู้นะพลผลมาเนี้ท่านให้พนกับมาไปไปไปต้มน้ำเอายาให้กิ น, ก, นกินยาเท่าที่จะมีไม่รู้จะ ก, กินยาอะไร <c oughs> ก็มีน้ำตาลเขาประเคนไว้ตอนตอ น, ตอนบ่ายเขามีน้ำตาลเขาสำหรับสรรคบพเนี่ยแหละภกชาพกกาแฟพกน้ำต้มต้มต้มต้นไม้นะ่ะ เอาไม้ต้นไม้มาผ่ า, า, าแล้วก็พิงไฟแล้วก็ต้มเป็นยานะพวกเราอยู่ในป่ารู้จักได้ยาต้นไหนต้นไหนเป็นยาต้นไหนต้นไม้ไม่เป็นยานะ <c oughs> แต่ได้กำลังเดือน้ําตาลอยู่หลวงพ่ อ, อพก็บอกเอา้าไปเอาน้ําตาลมาพ่นแต่นี่พ่นก็น้ําตาลมาพตอต้มน้ําก็พอเดือดเดือดเสร็จแล้วก็ให้มันเย็นเย็นสักหน่อยจากนั้นก็เอาน้ํา ทานลงไปใส่แก้วพอใส่แก้วเสร็จแล้วก็คนๆๆๆให้มออุ่นๆเย็นๆสักหน่อยเน้ำก็ใส่มากสักหน่อยเกือบเต็มแก้วพอเสร็จเอาไอ้คนที่ปวดเนะี่ยเขาโอ้โหทันหัวเนะ่เอามือขุมท้องอยู่มันปวดมากว่าไง น, นไม่รู้จะเป็นอะไรกระหมาหรือว่ามันปวดแบบ จะเงือแตกเงือไหลเอยเอามอาน้ำตาลพอดื่มน้ำตาลไปแก้วหนึ่งสักพักหนึ่งเอ า, เอากินยาแก้ปวดไม่ใช่ยาแก้ปวดยาแก้ปวดแก้ไข่เหมือนกันเพราะมันติดย่ามันมีเท่านั้นเออพวกยาแก้ปวดเอายาแก้ปวดซัดเข้าไปสองเม็ดเข้าไปสักพักหนึ่งเลย ปวดท้องเนี่ยหายเลยเหมือนกนเออหายเหมือนปิดทิ้งเลยตาคนก็ต่างได้นอนเหมือนกันอะโอ้ยทางนั้นจะไม่ได้นอนตั้งคืนเหมือนกันมันปวดท้องอเนี่แหละทำไม่จริงยาแก้ไข้แก้ปวดมื่แก้ไข้แก้ปวดหัวไม่ใช่แก่ปวดท้องวันเอะแต่จะทํำยังไงได้เหมือนกันเอามายาเป็นยาแก้ปวดท้องอ่ะมันปวดเนมันปวดก็เหมือนจะแก้เหมือนกันมังแก้ปวดของพ่อว่านะก็เลยเอายาให้ท่านหวด อกินหลวงพ่อเลยจําไม่ลืมเพระทั่งทุกวันนี้เรากงั้นเถอะพราะยาใช้ยาผิดประเภทไม่รู้จะหายาที่ไหนให้มีแต่ยาติดยา่มามาทุง่งแต่ถ้าหาว่าจะให้กินจะเลยก็กลัวมันจะกัดกระเพาะเข้าไปอีกใช่ไหมล่ะต้องเอาน้ําตาลเข้าไปลองซะก่อนเพราะทานทานอาหารเย็นทานไม่ได้เระปลาเนะี่ยมีแต่น้ําตาลนะั่นแหละที่จะลองท้องไว้ก่อนอะเผื่อไม่ ยาตัวนี้เขาไปกัดกระเพาะนะทีนี้ก็เอายาไอ้น้ําตาลใส่เข้าไปคนเข้มข้นสันนกหน่อยพอดื่มเสร็จเข้าไปแล้วกันนะเอายาแก้ปวดแถมเข้าไปเลยสองเม็ดพออีกสักหน่อยหนึงวัเหงื่อแตกออต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันเป็นไงหายแล้วหายแล้วหายปวดแล้วเออเอาก็เลยหาที่พักนั่นแหละ ตรงพ่อเนี่ดูๆแล้วก็นึนกขำมมอยู่เหมือนกั น, นแต่ขาไม่ออกในช่วงนั้นมาไงนเธนอ <c oughs> ดูแล้วมันปวดจริงๆไอ้คนที่ปวดบิดซ้ายบิดขวาบิดหน้าบิดหลังแล้วมันปวดจริงๆไอ้ <c oughs> วันนี้เป็นวันที่สิบสิงหาคมพุทธศักราชสองพันห้าอยห้าสิบแปดวันพุ่งวันพุ่งนี้ หลวงพ่อคงจะได้ไปไประชุมหมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนวัดป่าบ้านตาดเอานัดประชุมกันวันพรุ่งนี้วันที่11และก็วันที่12เป็นวันแม่ แ, มแห่งชาติแล้วก็เป็นวันเกิดขององค์หลวงตามหาบัวเพราะนั้นพวกเราคงจะได้ไปร่วมทำการทํากิจกรรมวันเกิดของหลวงตา ถึงหลงตาจะจติเนธพานไปแล้วแต่พระคุณของหลวงตายังอยู่ที่จิตใจของพี่น้องประชาชนลูกหลานพระเนรทุกสิทธิ์ลูกหาทุกหมูเหลา่ารันวันที่12บสองคงจะพระพี่น้องประชาชนคงจะมามากมายและก็พร้อมกันสวนแสงธรรมก็จะจัดการจัดงานขึ้นมาอีกจัดงานแบบนี้แหละ ลำเลิกถึงองค์หลวงตาวันที่สิบสองสิงหาลำเลิกถึงวันเกิดของท่านทางนู้นเขาก็จะทำบุญก็ทำมีกิ จ, จกรรมเผยแผ่ธรรมะแสดงความคิดเห็นเรื่องธรรมะเขาก็ได้มนุ์หลวงพ่อสุธรรมหลวงพ่อสุธรรมลงไปกรุงเทพพอดีเขาเลยนิมนต์หลวงพ่อสุธรรมเป็นประธานในวันที่สิบสองสิงหาแล้วก็เชิญวิทยากร มาบรรยายธรรมฟังงดูแล้วที่หลวงพ่อลงไปเมื่อคราวที่แล้วนะแต่ไม่รู้ว่าท่านท่านใดบ้างว่าจะมีการบรรยายธรรมสรุปแล้วก็คือทํากิจกรรมทั้งวันเกี่ยวกับพุทธศาสนาเกี่ยวกับพระธรรมคําสอนเกี่ยวกับปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่สวนวัดป่าบ้านตาดวันที่11 ตอนบ่ายโมงก็จะมีการประชุมมูลนิธิเพราะเพราะคุณมูลนิธิเนะี่ยครบดิวแล้วครบสี่ปีรวมแล้วเ็เป็น8ปีแล้วนะมูลนิธิของหอพิบาลสงฆ์มูล ม, ม, มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนเพื่อดูแ ล, แลวิทยุเสียงธรรมครบสี่ปีเดือนตุลาที่จะถึงนะ่ะก่อนที่จะครบ เราเราก็จะต้องประชุมหาลรือกันแล้วก็ตั้งประธานใหม่ตั้งรองประธานใหม่ตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ใครจะอยู่ใครจะไปในการบริหารจัดการวันพรุ่งนี้แหละคงจะรู้กันหลวงพ่อเขาคงได้เข้าไปไประชุมบา่บายโมงวันพุงนี้แต่ก็ไม่น่าเป็นห่วงหรอกเพราะว่า มูลนิธิของหลวงตาตั้งมาแปดปี้วก่อนเดินได้ด้วยตนเองแล้วละ่ะแต่หากมีผู้บริหารดูแลจัดการดีก็มูลนิธิไปได้เลี้ยงตัวเองพอไหวแต่จะให้สมบูรณ์ไหมก็ยังไม่สมบูรณ์หรอกยังยังแครอยู่ว่างั้นแต่ยังคล้ายๆกับว่ายังยังไม่สมบูรณ์แต่เขาพออจับวัดจับเวียงไปได้ คล้ายๆพอเดินได้ดอกผลนะแต่ต้นไม่ว่าละต้นถ้าจะออกมาใช้มันก็เหลือกินแต่ว่าดอกผลที่จะนำเอามาใช้นะ่ะก็รู้สึกว่าน้อยอยู่แต่ถ้าบริหารดีก็ไม่มีปัญหาไปได้นนี้ก็คือวิทยุมูลนิธิแต่มูลนิธิเนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วก็คือหลวงพ่อเองทั้งตั้ง ังขึ้นมาด้วยหลวงพ่อเองเป็นคนเป็นคนเป็นคนคิดนะเพราะหลวงตาเนี่ยท่านก็บอกไม่จตพโทษต่นเองแต่เรื่องทุนทรัพย์เนี่ยท่านจะต้องมองมาหามาหาลวงพ่อเลยนะแต่มันก็ไม่มากเหมือนหลวงตาหรอกแต่ถ้าว่ามีอะไรที่จะใช้นะท่านก็เหลือบมาหาหลวงตาหลวงตาจ้องเหลือบมาหาหลวงพ่ออย่างงานผ้าป่าก็เหมือนกัน เออเออนี่นะจะมีทุนกระหม่อมจ ะ, ะเฉด็จนะดูนะจะเอาอย่างไรนะทำอินรับพมเนี่ยหลวงพ่อก็เลย ด, ดูดูจัดการ อ, อ, อันไหนควรไม่ควรอย่างไรจัดการอย่างไรเกี่ยวกับจตุปปัจจัยโครงการหรือทองคำช่วยชาติในช่วงนั้นแต่โดยมากถ้าเป็นนั่นนะท่านก็มอง ที่แรกท่านก็ไม่อยากจะได้เหมือนกันนะมูลนิธิเนี่ยอย่าไม่เอาเราไม่เห็นด้วยมูลนิธิเนี่ยทำให้พระขี้เกียจพระขี้เกียจบินธบาตรมันอาศัยมูลนิธิ<ม>เพราะนั้นเราเห็นมาแล้วอย่ามาให้มันอย่ามาเกิดในวัดของเราคือตามวัดต่างๆที่ท่านเคยไปจำพรรษาทางกรุงเทพนะทำมูลนิธิ ขึ้นมาแล้วก็เดือนหนึ่งเขาจะต้องจ่ายดอกดอกผลของมูลนิธิให้กับคณะนั้นคณะนั้นคณะนั้นมีพระเท่าไรเขาก็แจกจ่ายตามพระให้เป็นหัวนหน้าคณะเป็นผู้ดูแลเป็นค่าอาหารเป็นค่าน้าําค่าไฟค่าอะไรแล้วก็พระก็ไม่บิณฑบาตบางครั้งก็เอาอาหารมูลนิธินะ่มาซื้ออาหาร มาถวายกันเลี้ยงกันชันไปไม่ต้องบินทบาทเนี่ยเรงลตาทานที็นี่ยมูลนิธิทำให้พระขี้เกียจบินทบาอไม่ง้อคนอีกต่างหากเราเลี้ยงชีวิตเนื่องด้วยผู้อื่นเราควรทำตัวให้เขาเลี้ยงง่ายไม่บินทบาทได้ยังไงเป็นพระเพราะนั้นมูลนิธิไม่เอาโอ้ ก่จะทำความเข้าใจกับหลงตาได้กับพอแรงเหมือนกันบอกว่าไม่ใช่มูลนิธินี่ไม่ใช่แบบแบบนั้นครับผมมูลนิธิเป็นมูลนิธิคำ้ำสถานีวิทยุเสียงธรรมไม่ใช่เอาวัดคำ้ำถ้าเอาวัดคำ้ำเน่ยเขาไม่เชื่อถือเพราะฉนั้นควรจะมีมูลนิธิคำ้ำตั้งเป็นมูลนิธิค้ำสถานีวิทยุจึงจะได้กรัผม จะจะเอาเงินในกระเป๋าอะไรค้ำเลยไม่ได้เพราะมันไ ม, ไม่แน่นอนไม่มีไม่มีคณะกรรมการบริหารเออถ้ามันมีเหตุผลเอาเลยท่านก็พูดเพียงแค่นั้นนะแต่ว่าเอาเลยเท่านั้นละ่ะท่านก็ไม่ได้ให้เงินมาเลยหลวงพ่อเอเอเอาเงินของคุณแม่ชีแก้วนะ่ะลงลงทุนไว้ก่อนเพราะก่อนที่ตั้งเป็นมูลนิธิก็ต้อง ตั้งเป็นทุนนิธิบริหารก่อนเลยเอาทุนนิธิขอ ง, องเงินของคุณแม่ชีแก้วที่เหลือจากเจดีย์คุณแม่เอ้ยสร้างเจดีย์ก็เสร็จแล้วจังปัจจัยก็ยังเหลืออยู่เอาปัจจัยคุณแม่สมทบเข้าไปทุนนิธิของหลวงตาด้วคุณแม่เนอหนึ่งล้านบาทจากนั้นก็หลวงพ่อก็อีก เ, องเงินวัดของเราอีกหนึ่งล้านบาท ลงตาได้ยินลงตาเลยสมทบเข้ามาอีกเอา้าเราก็สมทบเข้าไปอีกนะหนึ่งล้านบาทเไ้แค่ว่งเงินทุนนิเทศเนะี่ยไม่ใช่มูลนะยังเป็นทุนอยู่สมัยนั้นนะเพื่อดูแลเพราะว่ามันจะได้ใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าเช่าไทยคมสองนะเดือนหนึ่งหลายล้านบาทไนดะ้สี่ห้าล้านบาทนะาต่อรองได้แล้วนะขนาดนั้นละ่ะ แต่ละปีไนงะแต่ที่แรกก็ให้หมดให้แต่ละสถานีจ่ายเองพอทีนี้สถานีไม่มีเงินจ่ายป่ะนะไม่มีเงินจ่ายให้กับไทยคมที่เช่าไทยคมผนี้สุดเขาไปเก็บที่ไหนแต่มันก็ไม่มากหรอวัดละสองพันสถานีละสองพันกว่าบาทแต่มันไม่ได้ทเลยมันไม่ได้กับมันเอเอเขาก็าจะปิดแหละปิดไม่ได้ทีนี้ก็เลย ก็เลยสถานที่แม่ก็เลยจ่ายเองจ่ายสถานมีสถานีแม่เลยสถานสถานีบ้านตาดเลยเขาก็ตกต่อรองก็ได้ทีแรกเขาก็เรียกแพงอยู่นะหลายล้าน อ, อทั้งหลายบริษัทแต่พอมาได้ไทยคมสองเขาก็เลยประมาณห้าล้าน ก, กว่าอะไรนี่นะเอาเงินทุนนิติของเราเลยรวบลุงกัน อ, อตั้งขึ้นมา พอต่อมาแล้วก็ตั้งมูลนิธิเนี่ยมูลนิธิเนี่ยก็เอามูลนิธิถ้าจะเห็นเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ตั้งกันมีจะบอกอนุ ญ, ญาตให้ตั้งเท่านั้นเองหลวงพ่ออืมเอาเอา เ, อาเงินวัดของเราหนึ่งแสนแล้วก็ท้อทักเท่าแก่กุกห่งออกไหมเท่าแกหนึ่งแสนเออได้เท่าแก่ก็หงงหนึ่แงแสนคุณศิริหนึ่งแสนแล้วก็เท่าแก่สมหมายหนึ่งแสน ในช่วงนั้นท่านเจ้าคุณเจ้าคุณดำเจ้าคุณปานท่านมาพักอยู่ที่วัดของเราวัดเทพศิลินนะท่านพาลูกน้องมาพักพักพาที่มาพักปฏิบัตินะท่านกไน็ได้ยินได้ยินเออท่านอย่างนั้นท่านอาจารย์ผมขอสักร่วมสักแสนหนึ่งเออดีละเพราะต้องการห0า0 0นในกาในการจัดจดทุนมูลนิธินะจดทะเบียนเป็นมูลนิธินะอย่างน้อยก็ต้องห้าแ 0,000 นละก็ดีละ อเอามาจากนั้นหลวงพ่อก็เลยให้พ่ออออนันต์เนี่ยเป็นผู้ดําเนินการในการดําเนินตั้งมูลนิธิเนี่ยก็ตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นมาจากนั้นก็มีจตุ ป, ปัจจัยหลั่งไหลออกมาเรื่อยๆคนนั้นบางคนนี้บางทั้งของเราบางพราะมันต้นมันต้นขึ้นตั้งต้นใหม่เราก็ไปพยายามเข้าไปพอคิดว่าเออเป็นไปได้แล้วก็ก็จะหยุดไปเดี๋ยวนี้มูลนิธิ ฟังๆดูแล้วก็ยอดทั้งหมดก็ประมาณ130กว่าล้านนะก็มากพอจงควรแต่ว่าพอไหมทั้งค่าใช้ใจ่ายไปจำเรือนด้วยค่าใช้ใจ่ายค่าเช่าดาวเทียมด้วยปีละห้าล้านแล้วก็ค่าซึหลอตามสถานีต่างๆมันมีมันมีมากนะสัตยาญาติโยมลูกหลานที่จะต้องได้ใช้จะตุปัระจัยเกี่ยวกับ เนี่ยเรื่องสถานีของวิทยุเสียงธรรมของหลวงตาเนี่ยแต่ไม่มีแต่ของเราเนี่ยนะจะเป็นของเราเรารับทั้งหมดข่าน้าําข่าไฟค่าช้ำรุดชุดโจมค่าอะไรเป็นของเราถ้าเป็นอย่างของเราทุกคนนะมันก็ไม่มีปัญหาอแต่เราก็มีแต่มีแต่บ้านตามีแต่เช่าดาวเทียมส่วนกลางเท่านั้นเองที่เราไม่ได้จ่ายกันหกนั้นก็เป็นของเราทั้งหมด นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมครบดิว8ปีวันเดือนตุลาหลวงพ่อจะได้เข้าไปไ ป, ไปชมหารือนะแต่ยังไงก็หลวงพอ่ออายุกแกแล้วก็ยังคิ ด, ค, ดคิดเหมือนกันนั่นแหละเพระหลวงพ่อเป็นเจ้าของมูลนิธิถึง 3, 3มูลนิธินะลูกหลานนะแต่มูลนิธิเสียงธรมรมเลยหลวงพ่อเป็นรองประธาน แต่เมื่อสร้างใหม่ๆสมัยนั้นเป He <th notre potato> ็นเฮลันยิกนะเป็นเลขาเขาตั้งให้เป็นเลขาหลวงตาเป็นประธานหลวงพ่อเป็นเลขาแต่ว่าทํางานจริงๆอ่ะเพราอนั้นอ่ะเป็นผู้จัดการให้ทั้งหมดเผอเผยหลวงพ่อไม่รู้จักที่เซ็นเลยนะเซ็นตรงนี้หลวงพ่ออ่านอ่านด้วเออเขาคงไม่จับเราเขาคุกมั้งเนี่ยก็เลยเซ็นไปงั้นอ่ะพอหลวงพ่อหลวงพ่อสูเจ้าหลวงพ่อบันนอกเล แต่รู้ยุที่เขาจะจับเข้าคุกต้องอ่านดูซะก่อนนะพออ่านดูแล้วก็เออเอา่าเซนนี่แหละทุกครั้งครับพึ่งพาอาศัยพอออนันต์จันทศิลป์เนี่ยพ อ, อโรงเรียนเก่ า, าที่ท่านเขาเคยทำการทำงานราชการมาแล้วเนึ่งพอได้พึ่งพาอาศัยท่านพอ อ, นะ เ, อเป็นผู้ดูแลเอกสารทุกอย่าง จัดประชุมยังไงเชิญประชุมยังไงอะไรทุกอย่างจะตุกปัจจัยงบยังไงแล้วก็ตรวจบัญชียังไงมันมีมันมีต้องส่งเข้า น, นั้นด่ยนะจะต้องส่งเข้าไปผู้ตรวจบัญชีด้วยนะผะมเป็นมูลนิธินี่แหละทั้งทุนนิธิทั้งมูลนิธิมันเป็นสองคู่กันแต่หลวงพ่อเนี่ยเป็น เดี๋ยวนี้พอจิตเสร็จแล้วหลวงพ่อนะ่ะเป็นประธานมูลนิธิหอพิบาลสงหลวงปู่มั่นภูริทตโตโรงพยาบาลศรีนครินจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานแล้วก็ประธานมูลนิธิพระอาจารย์อินทวายสันตุสโกดูแลสงอาพาธโรงพยาบาลจังหวัดอุดรธานีแล้วก็มูลนิธิวิริยะศิลวันวัดป่านาคําน้อยเพื่อ ดูแลเผยแผ่ธรรมะองหลวงตาแต่ท่านเจ้าของเจ้าของวิทยะของท่านท่านให้พิมพ์หลวงปู่มั่นแนวความคิดหรือธรรมเทศนาหลวงปู่มั่นหลวงปู่ขาวหลวงปู่ชาหลวงตามหาบัวแล้วกัหนังสือธรรมะอย่างอื่นที่เกิดประโยชน์แต่ของหลวงพ่ออยู่ในอวยหลวงพ่อเอาเลยจะพิมพ์อะไร จะทำ MP3 ยังไงทำได้อันนี้ก็คือโมนิธิวิรยนาศีละวันแต่หลวงพ่อก็จะเน้นจะเน้นหนักเรื่องธรรมเทศนาของหลวงตาต่อไปหลวงพหลวงพ่อเองก็คงจะเย็บให้เป็นเล่มเหมือนกับพระไต ร, รปิฎกเป็นธรรมความสอนของหลวงตาเพราะธรรมเทศนาของหลวงตานี่ยเยอะเหลือเกินแต่เฉพาะธรรมเทศนาที่เดียวนี่ก็หมื่นสองพันกันแล้วก็ ตั้งวีดีโอตั้ง VCD อะไรตั้งมีรูปภาพด้วยก็มีมากมายที่หลวงตาไปแสดงทรรในสถานที่ต่างๆเพราะนั้นหลวงพ่อเองจะพยายามรวบรวมจุดนี้แหละที่ว่าตั้งเป็นมูลนิธินะีละวันขึ้นมาเนี่ยจะพยายามรวบรวมธรรมทเทศนาของหลวงตาไม่ได้เอาไปใช้อย่างอื่นมูลนิธิตัวนี้ แต่สงอาพาศนะก็เออเอาดูแลพระสงอาพาศนะอแต่ว่าต่อไปภายภาคหน้าก็ยังคิดอยู่เหมือนกันนะถ้าหลวงพ่อไม่ตายง่ายนะถ้าหลวงพ่อรวยขึ้นไปกว่านี้หลวงพ่ออาจจะตั้งเป็นมูลนิธิเพื่อการศึกษานะักเรียนที่เรียนเก่งเป็นผู้นิสัยดีมีมารยาทดีแต่ยากจนหมดโอกาสที่จะเรียนหลวงพ่อก็ยังคิดอีกเหมือนกันนะลูกหลานนะออันนี้คือแนวความคิดไว้นะออ <c oughs> แต่มูลนิธิดูแลดูแลพระสงฆ์อาพาธเนี่ยก่อนประสบผลจาเร็จก็คือศรีนครินพระสงฆ์ครูบาจารย์เจ็บไข้ได้ป่วยก็ได้ไปมูลนิธิตัวนั้นก็ได้ดูแลครูบาจารย์ไปลวกกี่องค์ตกกี่องค์แต่ละปีนะแต่โรมพยาบาลสูง อ, อรรถหนึ่งกำลังเริ่มตั้งไข่อย่างดําเนินการดําเนินงานอย่างตุปัตตุเปอยู่ ยังไม่ชัดเจนตัวเนี่ยแต่หลวงพ่อเขาพยายามดูให้ช่วยๆกันดูดูแลพระสงฆ์ทางอิสานอิสานสวนบนอุรห น, น้องคายบึงการน้องบัวลาพูจังหวัดเลยแถบนครพนมสกลนครแถบแถบนี้อ่ถ้าอกพระกุบายจารเจ็บใครได้ป่วยเออเอาเข้ามาเพราะเป็นโรวงพยาบาล อุดอรก็ลองเป็นโรงพยาบาลศูนยนะ์เป็นเป็นเรื่องใหญ่นะเกือบครอบทุกนะสาขาทั้งหัวใจทั้งอะไรใดต่อไม่อะไรอยู่ในอุดอรนะอ่าเป็นโรงพยาบาลใหญ่เพราะนั้นควรจะมีมูลนิธิดูแลพระสงฆ์อาพาธด้วย น, ะนี่แหละคือความเป็นมาและความเป็นแนวความคิดนะลูกหลานทั้งหลายถึงหลวงพ่อจะอยู่ในป่าหงพงไพกก็จริงแต่ ในแนวคิดช่วยชุมชนสังคมก็ไม่ได้ลดละแต่ก็ไม่ได้หนักใจสรุปแล้วสรุปแล้วคือไม่หนักใจทำเท่าที่จะทำได้ดูกำลังของตนเองถ้าเราก็มีกำลังขนาดไหนเราก็ทำขนาดนั้นถ้าเราไม่มีกำลังแล้วจะไปแบกทาไมแบกให้โง่ทำไมถ้าแบกมันก็หนักตัวเองมันโง่ถ้าโง่เราก็ไม่รู้จะกาลังตัวเองหลังหัก ตายเพราะความโง่ของตนเองมันก็ไม่น่าจะถูกเรามาเราปฏิบัติภาวนามาทั้งทีรู้เขารู้เร า, เารู้ศีลรู้ธรรมรู้ทุกอย่างพระพุทธเจ้าท่านให้ใช้ปัญญาให้รอบคอบอันไหนควรไม่ควรอย่างไรอันไหนสูงอันไหนต่ำอันไหนเหมาะสมไม่เหมาะสมอย่างไรในสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องได้คิดทุกอย่าง เพราะนั้นตัวไหนมันหนักตัวไหนมันเบาตัวไหนพอจะเป็นไปได้ตัวไหนพอจะช่วยเหลือชุมชนสังคมได้เราก็เข้าไปช่วยเหลือชุมชนสังคมตามความสามารถที่จะเป็นไปได้นี่แหละอันนี้ก็คือเราสาธารณะประโยชน์แต่ประโยชน์ส่วนตนเราก็มองอย่าให้ขาดตกบกพร่องอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านสั่ง ขยะวยธรรมมาสังขาราอั ป, ปมาเดนะซัมปาเดธาติก่อนที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพานในวันเดือนหกเพนจนชวนสว่างพระองค์สั่งเป็นพระวาจาสุดท้ายหรือว่าคําสุดท้ายเหมือนกับพ่อสั่งลูกครั้งสุดท้ายนะซักนั้นลักษณะ น, นั้นแหะปิดแล้วจากนั้นก็ปิดพระโอทเลยไม่พูดไม่กล่าวอะไรอีกจุดพูด คำสั่งของท่านขยะวยะธรรมมาสังคาราอปมาเดนะสัมปาเดทาติก็หนะยุดพูดความแปลและความหมายคํานั้นบอกอสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงขอให้ท่านทั้งหลายจงอย่างประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาเทเถิด สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงคือคนเราเกิดมาแก่และเจ็บตายในที่สุดไม่มีใครที่จะยั่งยืนหมื่นปีแสนปีร้อยปีก็าทางยากชีวิตของเราไม่มั่นคงอย่าไปหลงอย่าไปลืมตัวจนเกินไปให้รู้เท่ารู้ทันให้รู้จักในการวางตัวให้รู้จักดำเนินชีวิตอย่าใช้ชีวิตอย่างที่ว่าไม่รู้จัก คิดว่าตัวเองจะไม่ตายไม่ใช่นะนั่นผิดแล้วเพราะฉะนั้นสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเอรู้แล้วมันจะต้องตายอีกสักวันหนึ่งขอให้ท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านประโยชน์ตนก็คือเรามองดูตนเองอย่างที่หลวงพ่อมองดูตนเองนะเราจะช่วยอะไรได้บ้างเอไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของเราแต่ละท่านเราจะช่วยอะไรเราจะทําอะไรให้เกิดประโยชน์ ประโยชน์ตนถกห้อม ก, กันกับเดินกยมนั่งสมาธิภาวนารักษาศีลให้บริสุทธิ์บริบูรณ์สั่งสมบุญกุศลเข้าสูจ่จิตใจเพื่อหวังพ้นทุกข์ในวัฏสงสารอันนี้แหละคือตอนเองประโยชน์ตนโซนส่วนประโยชน์ท่านคือมองดูไปข้างนอกเออเราจะช่วยเหลือชุมชนสังคมอะไรได้บ้างช่วยโรงเรียนช่วยโรงพยาบาลช่วยสาธารณประโยชน์นี่แหละอันนี้ก็คือเราก็ต้อง เมื่อช่วยตนเองพอเป็นไปได้แล้วช่วยคนอื่นเพื่อสาธารณประโยชน์ประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทจะอยู่ด้วยความประมาทอยู่ด้วยความไม่คิดไม่อ่านไม่น่าจะถูกนะนี่แหละพราะพุทธเจ้าท่านสั่งพุทธบริษัทของพระองค์ท่านเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะคณะทาญาิโยมทุกหมูทุกเหล่าทุกท่านนะ ม, นนะมองตนและก็มองคนอื่นอย่าให้ขาดตกปุกพร่องอย่างที่พระพุทธองค์ทท่าน เมตตาให้โอวาดแนะนําสั่งสอนหลวงพ่อก็เลยตั้งว่าเป็น เ, เป็นอมตะอมตะวาจาอมตะวาจาแปลว่าไงวาจาอันไม่ตายเออวาจาของพระพุทธเจ้าเขาเนี่เป็นวาจาที่ไม่ตายนำมาคิดนำมาพิจารณานำมาพูดเมื่อไร่ก็เป็นปัจจุบันอยู่เสมอเออเป็นปัจจุบันพวกเราจะต้องได้คิด อืมใช่พระพุทธองค์พูดถูกจริงๆคำนี้นะนี่แหละไปลว่าเป็นคำที่ไม่ตายพูดเมื่อไหร่ก็ถูกเมื่อนั้นนะแต่ถึงยังไงเราจะทําถูกอย่างที่พระพุทธเจ้าให้โอโหสเมตตาอย่างไรหรือไม่นะั้นเป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องโอปัยโกมองตนเองนะพวกเราท่านทั้งหลายพผะเนนลูกหลานคณะทศ า, า, ทายาติโยมทุกท่านเอะตอนนี้ไปรับพรนะลีนะ